คืนก่อนพระอินเดียเข้ามาคุยกันมาคุยว่าเนี่ยมาขอจีวรพร ะ, ะรพระรูปหนึ่งจะมาบวชชาวอินเดียห้าร้กว่าคนนะเนี่ยเอาบอวชบวชได้บวชแล้วเรนอะไรสอนอะไรฟังอะไรฉันอะไรอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรเนี่ยนยีมันก็คือไม่มีไม่มีใครไปไปช่วยเหลือไปอะไรเลยมันเราก็เห็นแล้วว่าทํำยังไงแม้กระทั่งมีศรัทธาแล้วใครจะแนะนําแล้วใครจะพา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 ไม่เห็นวิแววว่าจะเจริญโงกเงยขึ้นมาเลยได้อย่างไรนอกจากรักษาเครื่องแบบไว้เท่านั้นเองเนี่ยนะสร้างเครื่องแบบสร้างรูปแบบสร้างอะไรไว้แต่สาระแห่งคําสอนไม่เหลือมฟังท่านพูดแล้วก็เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงเนี่ยนะก็ได้ น, นั่งฟังทําตาปลีบเปลีบปล่บไป น, นะถ้าถามว่าท่านจะทํายังไงก็เ น, นี่ยก็ทํานั่งทําตาเปลีบๆปีบนี่แหละก็ทําอย่างนะะี้แหละฉลาดเท่านี้แหละไม่รู้จะไปทําอย่างอื่นว่าอย่างไรเนี่ยนะมันก็เห็นแล้วเนี่นย มันจะพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ช่วครั้งชั่วคราวก็ไม่ได้มีอยู่ตลอดไปเนี่ยอย่างตรงเนี่ยว่างเว้นไป59ถึงหกสกับเนี่ยนะไม่มีพุทธศาสนาเลยนี่ก็ถือว่าไม่ห่างไม่นานนะถ้าเทียบกับแบบจากพระพุทธเจ้าทีปังกรถึงพระพุทธเจ้าโกนธัญญาหนึ่งอสงไขพระพุทธเจ้าโกนธัญญะถึงมังคละก็หนึ่งอสงไขในนะนะจากพระพุทธเจ้าก่อนอนโนมาทศีมาก็หนึ่งอสงไขยจากอโ น, อนมาทศีมหาปทุมุตตราก็หนึ่งอสงไขมันห่างมาก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 ก็ื่จะได้แก่มาทุกเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยนะท่านแบบถ้ามาอวยพรก็ต้องมาบอกยังไงขอให้ท่านเห็นทำเป็นที่พ้นจากเกิดแก่เจ็บตายนะวันนี้ก็คล้องครบรอบวันมาทุกเนี่ยนะก็คล้องฉลองครบรอบวันทุกวันชาติชรามรณาโสกกะปริเทวะทุกโทมานั้นอุปายาตขอให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาอริยสัจให้พ้นทุกนะเนี่นะต้องมาให้อวยชัยให้พรแบบเนี้ยจึงจะถูกมังจะปลื้มมากเลยนะเออชัยเนี่ยนะ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 อ้างให้ทานแล้วแผ่นดินไหวแล้วก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั่นแหละเป็นเหตุให้พระองค์ชนะมารไม่อย่างนั้นเนี่ยนะโอ้ยใครจะไปสอสู้อํานาจมารได้มาร น, นั้นไม่ใช่มารระดับธรรมดามารที่เรียกว่าสวรรค์ชั้นปรนิมมิตตาวสวัตตีเนี่ยเป็นผู้มิราผู้มีอํานาจมากที่สุดคือมารเป็นมารมารเนี่ยถามว่าใหญ่ขนาดใหญ่ขนาดสิงพรมได้ก็แล้วกันเข้าสิงพรมได้เลยนะแซ่พรมให้พรมพูดอย่างนี้กับพระพุทธเจ้านะ แทรกพรมได้อะอนะนั้นพญมานั้นไม่ใช่ว่าเขาอํานาจเขาครบทัมม้นนะอานาจเขายิ่งใหญ่จริงๆถามว่าทําไมก็คืออํานาจเนี่ยใครก็เป็นสิ่งที่แสวงหาเพราะฉะนั้นใครที่จะหลุดจากอํานาจของตัวนี่ถามว่าชอบไหมถามว่าอํานาจนี้คือสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายหอยหิวมากเพราะฉะนั้นคนที่ทําบุญเพื่อเป็นมานั้นจึงไม่ใช่น้อยคําว่ามานี่ก็แปลว่าห้ามคนที่ปฏิบัติเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า แต่ถ้าเป็นบุญประเภทในวัตตะนะเขาส่งเสริมเขาเชียร์เต็มที่แต่ถ้าเป็นกุศลประเภทนําออกจากวัตตะเขาไม่เอาด้วยเพราะเขามีอัธยาศัยฝักใฝ่ในการอยู่ในวัตตะเขาเลยเรียวกว่าเป็นพยามารเพราะเขาเขาโปรดปรานแบบนั้นมากาหลังจากที่พระองค์นะเกิดในดุสิตก็อยู่ครบอายุขของสวรรค์ชั้นดุสิตก็เทวดามาอ้อนวอนอราธนาเชื้อเชิญให้ มาถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางประภาวดีเทวีเนี่ยนะเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพอพระองค์นั้นอยู่ในคันครบรื่นพระนางประภาวดีนั้นก็เป็นผู้ที่มีรัศมีงามเหมือนรูปทองสีแดงก็คือเป็นผู้ที่สวยมากนะเป็นอัครมเมสีของพระเจ้าอารุณผู้มีพระคุณอย่างยิ่งกรุงอรุณวดี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 เห ต, เหตุที่เรียกว่าสิขีก็เพราะว่าพระยอดกรอบพระพักเนี่ยนะพุ่งสูงขึ้นดุจยอดพระอุณหิตก็คือกรอบกรอบหน้าเนี่ยกรอบหน้า ง, งามก็เลยเรียกว่าสิขีพระองค์ครองคารวาดวิสัยอยู่7 0 0ดปีมีปราสาทสามหลังชื่อว่าสุจันสุจันทกะสิริคิริยสะและก็นาริวสภะพระองค์นั้นมีสนมกำนันคอยดูแลประมาณ 24,000 นาง มีพระนางสัพพกามาเทวีเป็นประมุกก็ครองคารวาอยู่7 0 0ดปีใช่มเมื่อมีพระโอรสพระนามว่าอาตุละอตุระแปลว่าผู้ที่ไม่มีใครช่างได้ไม่มีผู้ใดเทียบได้น น, น, นเป็นเป็นโอรสของพระนางสัพพกามีสมภพก็คือคลอดอ น, นะประสูตรออกมาพระโพธิสัตว์ก็เห็นนิมิต4ประการจริงก็ถ้าจริงถ้าเทวทูตเนี่ยนะเทวทูต นิมิตก็คือหนึ่งปกตินะเทวทูตมี5้ใช่หมนึ่งเด็กเด็กที่คลอดใหม่ๆ2 2สองคน อ, อคนแก่สามนักโทษสี่คนป่วยห้าคนตายแล้วกว่าเทวทูต5แต่ตรงนี้เนี่ยเน้นพิเศษก็คือคนแก่คนป่วยคนตายแล้วก็เห็นใครนักบวชเนี่ย วันนั้นก็เห็นนิมิตทั้ง4พระองค์ก็ขึ้นช้างต้นก็คือช้างเป็นที่ช้างประจำนะสเสด็จออกมหาพิเนศกรมด้วยยานช้างพระองค์พนวดพอหลังจากที่พระองค์พิเนอพิเน ศ, เนศกรมออกบวชอย่างนี้แล้วก็มีบุรุษ1 3 7 0 0 0สพากันบวชตามสเสด็จพระองค์อันบันประชิตเหล่านั้นเวดล้อมแล้วทรงบําเพ็ญเพียรอยู่8เดือน นนะรวบรวมโพธิปคัคขยธรรมรวบรวมคุณธรรมเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่8เดือนด้วยกันในวันวิสาขาปุรีพระองค์ก็ละการคลุกคลีด้วยหมูเสวยเข้ามาทุ ป, ปายาที่ที่ดาปิยะเศรษฐีนาสุทสนนิคมถวายแล้วก็ยับยั้งพักกลางวันณป่าตะเคียนนมพระองค์รับญาคาในระยา ยา่าบยากูสะเนี่ยนะย่าคา8กรรมที่ดาบทีชื่อว่าอโนมาทัศีถวายเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปยังต้นโพรพฤกษชื่อว่าต้นบุนตริกะคือมะม่วงป่าเล่ากันมาว่าต้นบุนตริกมะม่วงป่าที่เป็นที่ให้พระองค์ตรัสรูนั้นน่ะมีขนาดเท่ากับต้นแครฝอยนะต้นแครฝอยวันนั้นนั่นเองมะม่วงป่าต้นนั้นสูงชะลูดลำต้นขนาด50ศอกนะกิ่งก็ขนาด50ศอก ก, ก็ร่มเงาดีมากเลยนะ ดาราดาดไปด้วยดอกหอมดอกก็หอมกลิ่นทิพย์ไม่ใช่ดาราดาษไม่ใช่มีแต่ดอกอย่างเดียวยังมีผลผล่ะนะผลก็มีเป็นผลอ่อนผลปานกลางแล้วก็ผลหามแล้วก็ผลสุกแล้วนกะ็แต่ละแต่ละลูกก็สีกลิ่นรสเนี่ยนะมีแต่กลิ่นอันเป็นทิพย์ที่เทวดานี่หยอดใส่เพรา ะ, ะนั้นบริโภคแล้วก็เป็นยาอย่างดีเลยแหละนะมันก็มีลูกห้อยย้อยนี่นะแถบนั้น ไม่ใช่มีแต่ต้นไม้ดอกต้นนั้นต้นเดียวต้นอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันทั่วทั้งจั ก, กรวาลพระองค์ก็ล่าสันทัศน์ที่นั่งด้วยหญ้ากว้าง24ศอกประทับนั่งขัดสมาธิอธิษฐานทําความเพียรมีองค์สี่แล้วก็ประทับอย่างนั้นประทับนั่งอธิษฐานสมาทานไปเลยว่าจะเหลือแต่นังเอ็นกระดูกเนื้อและเลือดในสรีระจะเหือดแห้งไปถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ลุกแล้วเสร็จแล้วพระองค์ก็กําจัด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 ที่บริเวณต้นโพเนี่ยนะเป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยเสัปดาอะนะสัปดาห์ที่1ที่โพที่บัลลังสัปดาห์ที่2อนิมิสเจดีสัปดาห์ที่3ก็รัตนรัตนะจงกรมสัปดาห์ที่4ก็รัตนคราเจดีสัปดาห์ที่4 5าหก็ตามสมควรว่าตรงไหนที่เห็นว่าเหมาะสมแต่ว่าไม่ไกลจากสถานที่ตรงนั้นเสวยวิมุตติสุขและพิจารณาธรรมน่ยนะ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 ซึ่งมีรั้วกั้นชนิดต่างๆอันหมู่มุนีเหล่านั้นเวดล้อมพระองค์ก็ประกาศทพระธรรมจักท่ามกลางหมู่มุนีเหล่านั้นครั้งนั้นอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็มีแก่ภิกษุแก่สัตว์เนี่ยนะจำนวนแสนโกดนะรวมทั้งพระภิกษุเหล่านั้นด้วยนะก็หมายถึงทั้งเทวดาเป็นต้น เล่าว่าต่อจากสมัยของพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็มีพระชินะสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีพระองค์ผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้าไม่มีผู้เสมอไม่มีบุคคลเปรียบเทียบพระองค์ทรงย่ายีกองทัพมารทรงบรรลุพระสัมพโพธิญาณอันสูงสุดทรงประกาศพระธรรมจักรอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายเมื่อพระสิกขีผทธเจ้าจอมมุนีทรงประกาศพระธรรมจักรอภิสมัยครั้งที่หนึ่งก็มีแก่สัตว์แสนโกรธ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 เพื่อจะปลดเปลื้องเครื่องผูกของปวงชนใกล้ประตูสุริยวดีนครพระองค์ก็แสดงคำโปรดอภิสมัยครั้งที่3ก็มีแก่สัตว์ 80,000 โกดดังที่พระองค์ตรัสว่าเมื่อพระสิกขีพุทธเจ้าแสดงย ม, มะกกาปาฏิหารในโลกพร้อมทั้งเทวโลกอภิสมัยการแตสรู้ธรรมครั้งที่สก็มีแก่สัตว์จำนวน 80,000 โกด พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งท่ามกลางพระอระหันต์ 10,000 แที่บวชพร้อมกับพระเจ้ารสชื่อว่าอภิภูและสัมภาวะพระองค์ก็ยกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่1 น, น, นะท่ามกลางภิกษุจํานวน 80,000 ที่บวชในสมาคมพระญาติแล้วก็ณกรงอรุวดียกปาฏิโมกข์ขึ้นแสดงอันนี้เป็นสาวกสันนิบาตครั้งที่2ครั้งที่1 10,000 น, น, นึใช่ไหมครั้งที่28ง0 0 0หื่น ส่วนครั้งที่3เนี่ยบอกว่าพระองค์ยกปาติโมกข์ขึ้นแสดงท่ามกลางภิกษุ 70,000 มื 70, ที่บวชในสมัยที่พระองค์ฝึกพญาช้างธนปาลกะในทนัชัยนครคล้ายๆที่พระองค์โปรดแสดงทาให้ช้างนาลาคีริงฟังนั่นแหละอันนี้เป็นสาวกสันิบาตครั้งที่3 น, นะพระพุทธเจ้าสอนช้างได้นะอุยพระองค์ก็ต้องสอนเราได้ก็เลยบวชนะบวชแล้วเป็นเอหีพิกขุมดเลยอย่าง้ไ ดังที่พระ อ, องค์ตรัสเล่าว่าแม้พระสิกขีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระ อ, องค์มีสันนิบาตประชุมพระสาวกขีนาศพผู้ไร้มนทินมีจิตสงบคงที่สามครั้งประชุมภิกษุหนึ่งแอันนี้เป็นสันนิบาตครั้งที่สองประชุมภิกษุ8ปดห 0,000 ื่นสันนิบาตครั้งที่สองส่วนครั้งที่สามเจ็ดมื่นภิกษุสันนิบาตเหล่านั้นคือพระอรหันต์ที่มาประชุมพร้อมกันนั้นอันโลกธรรมไม่กำทราบแล้ว มายว่าอันโลกกระทไม่แปดเปื้อนแล้วเหมือนดอกประทุมดอกบัวเกิดเติบโตในน้าน้ำก็ไม่กำซาบแปดเปื้อนฉะนั้นคำว่าอนุปริตโตปทุมังวะความว่าภิกษุเหล่านั้นแม้อะที่มาประชุมสันนิบาตครั้งนั้นเนี่ยนะท่านเหล่านั้นจริงอยู่ท่านเกิดในโลกแต่ว่าโลกกระทำทั้งแปก็ซึม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 อิ่มทั้งหูศรัท ธ, ธาก็เกิดจากทวารตาทวารหูและทวารใจพระองค์พร้อมทั้งครา ช, ชบริพานถวายบังคมด้วยพระเศียรเรียกว่าวก้มกราบถวายด้วยหัวว่า ง, งั้นเถอะที่ยุคคนบงกฎบาทรเรียกว่าแทบเท้าทั้งคู่ที่ปราศจากความเศร้ามองของพระทศพลพระพุทธเจ้าผู้ทรงกำลังสิบประการ น, นะเมื่ อ, อกราบถวายบังคมฟังธรรมเสร็จแล้วเนี่ยนะก็นิมนต์พระทศพลถวายมหาทาน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 หูใหญ่แล้วก็อ่อนหน้าก็งามระยับด้วยดวงรอยดวงจันทร์พระองค์ก็ถวายกับปิยพันฑ์มีขนาดเท่าช้างนั่นแหละพระศาอา่หลังจากที่ทาบุญกุศลเสร็จแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็พยากรพระโพธิสัตว์ว่าอีก31อกับนับจากนี้ไปพระโพธิสัตว์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าดังที่พระองค์ตรัสเล่า ว, ว่า สมัยนั้นเราเป็นกษัตริย์นามว่าอริธรมะเลี้ยงดูพระภิกษุสองมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานให้อิ่มหนำสําราญเราถวายผ้าอย่างดีเป็นอันมากถวายผ้าไม่น้อยนับด้วยโกดผืนถวายยานคือช้างที่ประดับแล้วแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราช่างกับปิยพัน์ของที่สมควรแ ก, แก่การใช้สอยเนี่ยนะมีประมาณเท่ายานคือชาอ้างยังจิตของเราอันมั่นคง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 ของเราเนี่ยตั้งมั่นโดยทานะเจตนาว่าจะให้ทานเป็นนิสให้ทานเป็นประจำเนี่ยนะให้เป็นนิจทานหมายว่าไม่มีขณะใ ด, ดที่พระพุทธเจ้าและพระพิสุสง่์ไม่ใช้ปัจจัยสี่ของท่านนั้นก็มีความสุขว่านะว่าพระพุทธเจ้าและพิสุส่์ใช้ปัจจัยสี่ของพระองค์ก็มีความสุขเพราะว่าเป็นผู้ที่มีเจตนาในการให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 พระองค์มีปราสาทชั้นเยี่ยมอยู่สามหลังชื่อว่าสุวัฒกะคิริและนารีวาหนะพระองค์มีสนมกำนัน24งหมนพนางล้วนประดับงดงามมีอัคราเหสีพระนามว่าพระนางสัพพกา ม, มาอรถของพระองค์พระนามว่าอตุละพระผู้สูงสุดในนรชนเฮ น, นิมิสีก็เสด็จอภิเนศกรมออกบวช ด, ด้วยยานช้าง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 พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นสูง70ศอกเสมือนรูปปฏิมาทองก็เห็นพระพุทธรูปทองคำที่แต่งครบองค์งดงามฉะนั้นมีประหาบปุริสลักษณะ3 2ประการมีรัศมีวานหนึ่งล่นออกจากพวกรากายของพระองค์ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่างเว้นรัศมีที่สร้างปกติเนี่ยแต่ว่ารัศมีเหล่านั้นแล่นไปในทิศน้อยทิศใหญ่ประมาณ3ามโยพระชนมายุ ข, ของพระสิขีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่นั้นเจดหื่นปี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 มหาปริศลักษณะ3 2ประการพร่างพร้อมด้วยอนุพยัญชนะทั้งนั้นก็อันตรธานไปสิ้นสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้นิจาวตาสังคารานะไม่เหลือเลยองนันบทว่าอนุพยัญชนะสัมปันนางพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้าประดับด้วยมหาปริศลักษณะ3าประการพร่างพร้อมด้วยอนุพยัญชนะ80 มีพระนขาเล็บแดงพระนาศิกโดงจมูกโดงแล้วก็มีพระองคุลีกลมเป็นต้นนิ้วเนี่ยกลมได้ยินว่าพระองค์ดับคันทะปรินิพานะพระวิหารอัสสารามศีลวตีนครง้สิขีวะโลเกตาปสาชลิตวาสิขีวะเมคาขามเนนะเะนะทิตวาสิขีวะเมเหสินทนะ วิปภีโนสิขีวะสันติงสุขโตคโตโสแปลว่าพระสิขีพุทธเจ้าทรงรุ่งเรืองในโลกเหมือนดวงจันทร์นนะพระองค์นั้นทรงบรรลือเอาขอไปรุ่งเรืองในโลกเหมือนดวงไฟเนี่ยนะก็คือดวงจันทร์ดวงไฟที่มันสว่างสว่างอะนะชลิตตว่าตะปะสาก็คือไฟที่ทำให้สว่างสวัยพระองค์นั้นบรรลือในนภาอากาศเหมือนนกยูง พระสิกขีพุทธเจ้าทรงละพระมหิศีพระองค์ละทรัพสมบัติพระองค์ถึงความสงบเนี่ยนะถึงความสงบคือพระนิพพานแล้วก็เสด็จไปดีแล้วเหมือนไฟเหมือนอย่างว่าไฟที่ลุกโผลงไม่เชื้อเผาเยื่อให่แล้วก็ดับไปชันใดไฟคืออรยิยมรรคของพระองค์ก็ไฟวัด ต, ตะได้เสร็จสิ้นก็มอดดับไปสงบฉะนั้น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 สิขีก็อันตรธานสูญหายสลายไปจากโลกเพราะว่าอย่างว่าต้นตํำรับก็สังขารไม่เที่ยงอันนะั้นสอนเหล่านั้นก็ก็อย่างว่าเมื่อไม่มีผู้ปฏิบัติตามคําสอนเหล่านั้นก็จะอันตรธานไปจากโลกพูดถึงว่าของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็ยังเสื่อมสูญอันตรธานไปของพระพุทธเจ้าของเรานี้อ น, นะอีกนานไหมยังว่าอีกนานไหมอันนะั้นชีวิตของเราก็เหลือไม่นานเนี่ยนะ ในโลกของคําสอนของพระพุทธเจ้าในยุคปัจจุบันคนก็ไม่ค่อยรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรเขาบอกว่าตรัสรู้ธรรมชาติอะไรงี้ยนะบอกว่าธรรมชาติมันเป็นยังไงอะไงี้นก็ก็เป็นปัญหาโลกแตกบอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ว่ามันคืออะไรก็กลายเป็นสิ่งที่เลอะเลือนลื่นลอยเนี่ยนะมีแต่ความสับสนโอมานศึกษาคําสอน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 ทำที่สุดแห่งทุกได้มันขอให้ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประดิสฐานอยู่ในโลกนี้อ น, นะส่องแสงสว่างแห่งความรู้ให้เกิดขึ้นในดวงใจของเราทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายได้ตรัสรู้อริยสัจธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นจากความมืดมิดมื ด, ม, ด ม, มนด้วยอวิชชาทุกคนทุกท่านสําหรับวันนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้